กับศีลตามหลักเทวนิยมไว้เป็นพื้นสำหรับทำความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องศีลเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องกรรมความดีความชั่วด้วยดังนี้ 1. ในแนวทางของสภาวะนิยมศีลเป็นหลักความประพฤติที่กำหนดขึ้นตามเหตุผลของธรรมชาติส่วนในลัทธิเทวนิยมศีลเป็นเทวองค์การที่กาหนดขึ้นโดยเทวประสงค์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 ไม่ต้องถามหาเหตุผล4ในสภาวะนิยมการรักษาศีลคือการฝึกตนทางความประพฤติเริ่มแต่มีเจตนาที่จะละเว้นความชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นจนถึงประพฤติความดีงามต่างๆที่ตรงข้ามกับความชั่วนั้นๆส่วนในเทวานิยมการรักษาศีลก็คือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามเทวโองค์การโดยเคร่งครัด ในสภาวะนิยมการประพฤติปฏิบัติในขั้นศีลมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือเพื่อเป็นบารฐานของสมาธิในระบบการพัฒนาคนให้พร้อมและสามารถใชกกำลังงานของจิตให้เป็นบารฐานของปัญญาที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระส่วนการไปสวรรค์เป็นต้นเป็นเพียงผลพลอยได้ในระหว่างตามธรรมดาของเหตุปัจจัยแต่ในเทวนิยม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 เพราะผู้ปฏิบัติต้องการความเข้าใจอย่างมากก็เฉพาะในความหมายของสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเท่านั้นผู้ปฏิบัติตามเทวะองค์การไม่จําเป็นต้องเข้าใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพราะถือว่าระบบและเหตุผลต่างๆทั้งปวงอยู่ในพระปรีชาขององค์เทวะหมดสิ้นแล้วอันผู้ปฏิบัติไม่พึงสงสัยเพียงแต่เชื่อฟังมอบความไว้วางใจและปฏิบัติตามเทวะองค์การเท่านั้น พความแตกต่างกันระหว่างศีลในสภาวะนิยมกับศีลในเทวะนิยมข้อขอศีลหรือระบบจริยธรรมแบบสภาวะนิยมเป็นหลักลกลางและเป็นสากลกกำหนดโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติหมายถึงสารัฐาะของศีลในทางธรรมเกี่ยวด้วยบุญบาปไม่ใช่ในความหมายทางวินัยอันเกี่ยวด้วยการลงโทษในสังคมเช่นพิจารณาผล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 ฆ่าคนศาสนาอื่นไม่บาปไม่จำกัดว่าคนศาสนานี้เท่านั้นให้ทานไปสวรรค์ได้คนศาสนาอื่นประพฤติอย่างไรไม่เชื่อชั้นเสียอย่างเดียวตกนรกหมดฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะสัตว์เป็นอาหารของคนแล้วการฆ่าสัตว์ไม่บาปก็รวมทั้งสัตว์ที่ไม่เป็นอาหารไปด้วยแล้วก็ทําให้น่าคิดน่าสงสัยกันต่อไปว่าคนไม่เป็นอาหารของเสือและสิงโตหรือดั่งนี้เป็นต้น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 และผู้พิพากษาเองกล่าวเนื่องจากศีลเป็นหลักกลางๆ ก, กำหนดได้ข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเช่นนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องเป็นผู้กล้ายอมรับและกล้าเผชิญหน้าความจริงความดีชั่วถูกผิดมีอยู่เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรต้องกล้ายอมรับความจริงตามที่เป็นเช่นนั้นส่วนตนจะปฏิบัติหรือไม่แค่ไหนเพียงไร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องกล้ายอมรับการที่ตนปฏิบัติดีไม่ดีตามข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ถือว่าไม่ชั่วเพราะตัวอยากทําสิ่งนั้นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อการวัดด้วยการอยากทําหรือไม่ของตนถ้ามีอันถึงกลับจะทํากรรมที่ให้ตกนรกสักอย่างหนึ่งการที่ยอมรับพูดกับตนเองว่ากรรมนั้นไม่ดีแต่ตนยอมเสียสละตกนรก ยังดีกว่าหลอกตัวเองว่ากรรมนั้นไม่เป็นกรรมชั่ว